ก็อย่าพักให้ขุดสะน้อยใหญ่อีกเลยจึงสั่งให้ขุดสะน้อยใหญ่ไว้พระนาคเสนมีเถรวาจาถวายพระพรต่อไปว่าฉันใดก็ดีภิกษุที่เป็นบรรพชิตก็คิดว่าเมื่อการที่จะได้ทุกอื่นจะมาถึงจึงกระทําความเพียรดับทุกนี้เสียแต่เดิมมิได้กระทําความเพียรเพื่อจะดับทุกขอันอื่นข้างหน้าต่อไปสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินเป็นกษัตริย์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 นิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาให้ยิ่งกว่านี้พระนาคเษนองค์อารหาธิบดีจึงถวายพระพอรอีกเล่าว่ากิงมัญสิมหาราชพระราชสมผานเจ้าจะทรงพระวิตกสําคัญกระไรเล่าเหมือนพระราชสมผานเจ้าจะกระทําการป้องกันค่าศึกสงครามจะกระทําเสร็ตยังไม่มีค่าศึกมาหรือหรือต่อมีฆ่าศึกมากระทําสงคราม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 เอวังธรร ม, มาอปักกัมมะอะธรมมังอนุปัตติยามันโทมัจุมุขปัตโตอขัดชินโนวชายตีติพระพุทธดีกาโปรดว่าธรรมดาบรรพชิต ร, รู้ว่ากิจสิ่งไรจะให้พ้นทุกข์ก็พึงภาคเพียรให้สาเร็จกิจเสียแต่เดิมอย่าดูเยี่ยงชาวเกวียนที่ทิ้งทางเก่าเสียเข็นไปทางใหม่ไม่เสมอเกวียนก็หัก